การคิดลบหลูสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นบาปเพียงใดใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานกรรมสำเร็จด้วยใจฉะนั้นผลแห่งกรรมทั้งหลายย่อมไหลมาจากใจเช่นกันจะคิดอะไรและบาปแค่ไหนหรือเป็นบุญแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับใจที่มุ่งคิดขึ้นอยู่กับกำลังใจที่ใช้ก่อกรรม มโนกรรมกับความจำได้หมายรู้ความจำได้หมายรู้ทางธรรมะเรียกว่าสัญญานะครับหากจงใจคิดไม่ดีเช่นอาฆาตมาดร้ายอยากเอาคืนหรือเห็นการคิดลบลูดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องสนุกเรียกว่ามโนกรรมอันเป็นมหาอกุศลเราอาศัยกำลังใจก่อบาปตรงเต็ม แต่หากไม่ได้จงใจถ้ว่าเกิดความรู้สึกอยากทำร้ายอยากขโมยอยากผิดกรรมอยากโกหกหรืออยากลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรูปความคิดแวบผ่านเข้ามาในหัวไม่ได้มีกำลังใจของตอนเองหนุนหลังจรงิงจังอย่างนี้เรียกว่าเป็นความจำได้หมายรู้อันเป็นอกุศลหาใชจการก่อกรรมหาใจบาปร้ายแรงที่จะติดตัวเป็นเงาตามไปให้ผลไม่ อย่างไรก็ตามหลังจากเกิดความจำหรือเกิดความสำคัญมั่นหมายอันเป็นอกุศลขึ้นในหัวแล้วที่จะชี้วัดว่าเกิดบาปหรือเกิดบุญตามมาต้องดูใจที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบกับอกุศลนั้นๆหากเริ่มคล้อยตามความคิดพิเรนเต็มใจครุ้นคิดต่อตามเสียงกระซิบของปีศาจในหัวกระทั่งคึกขนองลปรงวาจาทะลึ่งตึงตังให้คนอื่นได้ยิน อย่งนี้เรียกว่าก่อกรรมใหม่อันเป็นไปในวิถีปีศาจแล้วเมื่อสะสมบาปมากจิตวิญญาณย่อมมีรูปปีศาจเหมาะกับแดนปีศาจในภายภาคหน้ารับผลของกรรมเก่าหาใช่ก่อกรรมใหม่แต่หากเอาแต่เฝ้าทรมานใจแอบกังวลอยู่กับตัวเองโดยไม่กล้าบอกใคร คุณคิดว่าเราเป็นคนบาปแล้วหนอหรือสงสัยว่าเราจะต้องตรงนรกหรือเปล่าหนอเช่นนี้แท้จริงแล้วคุณกำลังรับผลของกรรมเก่าที่เคยไปเบียดเบียนคนอื่นให้เจ็บใจ่าใช่ก่อกรรมใหม่ด้วยการทำให้ใครเดือดร้อนใหม่ไม่แม้กระทั่งจงใจคิดร้ายต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหนไหนด้วยซ้า แรงอกุศลสัญญาคือความจําได้หมายรู้ที่เป็นอกุศลให้เป็นมหากุศลในทางกลับกันหากอาศัยความจําได้หมายรู้อันเป็นอกุศลนั้นเป็นเครื่องมือฝึกสติให้เจริญขึ้นเริ่มจากยอมรับตามจริงว่าอากุศลธรรมเกิดขึ้นในหัวเห็นตามจริงว่าเราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เต็มใจให้มันเกิดขึ้น สิ่งใดเกิดขึ้นด้วยสาเหตุหนึ่งหนึ่งเป็นธรรมดาเมื่อหมดเหตุหนึ่งหนึ่งแล้วสิ่งนั้นย่อมต้องดับลงเป็นธรรมดาไม่น่ายินดีและไม่น่ายินร้ายเห็นอย่างนี้เรียกว่าก่อกรรมใหม่เป็นการเจริญสติซึ่งทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นบุญขั้นสูงสุ ด, สดเหนือกว่าการรักษาศีลสำเร็จและเหนือกว่าการให้ทานไม่เลือกหน้า สรุปคือหากมองถูกอกุศลธรรมก็เป็นปัจจัยให้เกิดบุญขั้นสูงสุดเท่าที่มนุษย์จะทาได้และมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ชี้ทางให้ทำได้โดยก่อตั้งศาสนาที่สอนให้ดูความคิดไม่เที่ยงส่งสอนให้เห็นบ่อยจนรู้ซึงว่าความคิดไม่ใช่ตัวตนจะเป็นความคิดฝ่ายกุศลหรืออากุศลก็ตาม